การปฏิบัติอาณาปานาสติคือการเฝ้ามองลมหายใจที่สัมผัสปลายจมูกทำควบคู่ไปกับการท่องพุทโธได้หรือไม่ครับการกำหนดอาณาปานสติคือการเฝ้ามองลมหายใจที่สัมผัสที่ปลายจมูกทำควบคู่ควบคู่ไปกับการท่องหรือบริกรรมพุทโธได้หรือไม่ครับ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 แถวๆจมุกปลายจมุกด้านขวาหรือด้านซ้ายทุกอย่างก็ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่กำโดยรู้ลมโดยไม่ไปสังเกตว่าอันนี้ด้านซ้ยด้านขวาก็เรียนถามต่อเลยนะเจ้าคะ่กะการเรียนพระอาจารย์ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีลมหายใจจะกำหนดดูอะไรคะ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 ผู้ที่ได้เจรินอนาบานาถึงชานก็ได้ผ่าน น, นั้นไปได้ประสบ น, นั้นมาแล้วแต่ต้องผ่านให้ต้องพยายามฝึกเพื่อจะสามารถกาหนดรู้ลมที่ละเอียดอย่างติดต่อต่อเนื่องน้นๆผู้ที่สามารถเขา้าผู้ที่สามารถปฏิบัติอนาบนาบนาได้อย่างสำเร็คือ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 คือไปมีความรู้สึกต้นลมที่ต้นจมูกกลางลมที่เน้าอกแล้วก็ไปเห็นปลายลมที่ท้องเราต้องตามไปหรือไม่เจ้าค่ะชอบทำไหม <c oughs> ก็ดีเหมือนกันคําถามที่ดีไม่ได้หมายความว่าควรตามไม่ควรอันนี้ไม่ถูกในวิสุทธิมากมีคําเดือน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 เข้าใจไหมถ้าเราตามไปที่นี่ตนตนโลงกลางโลงปลายโลงงจิตที่รู้อารมณ์เดียวมีไหมไม่มีแล้วไม่มีวันที่สามารถจเรีงเข้าถิ่นฌานได้มีคำเตือนอย่าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ไม่สามารถจเรีงสมาธิที่ลึกซึ้งได้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 ผ่านผ่นที่นี่ไปแล้วก็อยู่ที่นี่ใช่ัหมต้นลมมีอยู่ที่นี่กลางลมก็มีอยู่ที่นี่ปลายลมก็อยู่ที่นี่ต้นลมกลางลมปลายลมหมายความว่าต้องกำหนิรู้ที่นี่ในช่วงแรกผู้ปฏิบัติทั้งหลายแค่กำเนิดรู้เข้าออก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 บางคนรู้ต้นลงและปลายลมบางคนรู้กลางลงและปลายลมบางคนรู้ต้นลงและกลางลมบางคนรู้แค่ปลายลงบันคนรู้ทั้งต้นกลางและปลายลงไอนี้ตามความสามารถของตัวเองตามกำลังของสติเพราะฉะนั้น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 แต่คณ น, นิกาสมาดิค น, นิกาสมาดิคืออะไรอันนี้เป็นที่สำคัญโยมเข้าใจยังไรคณ น, นิกาสมาดิคืออะไรเป็นอาการของสมาดิอาการแบบไหนโย สมาดิสันสอืมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคณิกสมาดิ g นในอภาษาอังกฤษแปลว่ามุมเมนทรี o n ภาษาไทยแปลว่าสมาิสันภาษาบาลี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 ต้องดูที่ภาวังผ่าวังคือมนโนทวันเข้าใจมไหมมโนทรวนโยมเข้าใจมั้ ย, มนน ย, มยไม่เคยได้ยินจะกูทวันเข้าใจมั้ย จะ ว, ว่ายัางไงดีมโนโทวนันมีมีมีภาษาง่ายๆยไหมช่วยด้วย <laughs> <sh arp> เป็นไมด้ดอประตูของจิตประตูของจิตใช่ประตูของต า, าเดี๋ยวนี้โยมเห็นอาตมาใช่ไหม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 สัตดารมเสียงกระทบโซดาบสัแล้วก็กระทบที่ผวังใช่หรือไม่ใช่ไหมในเวลาได้ยินดนตรีเสียงดังๆแบบนี้ใครได้ประสบมาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอภิธรรมไม่มีที่ไหนในอภิธรรมอาตมาได้ยินว่า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 พระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรัพเพียงอยูทำไมเราเข้าใจเพราะว่าในเวลาเราศึกษาอภิธรรมได้เข้าใจว่าความรู้ของยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนไปเห็นที่ น, นู่นในพระสูตร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 วิธีจิตคือจิตที่เกิดขึ้นต่อต่อกันในหนึ่งวิธีเ ด, ดี๋ยวดูดูอาตมาหน่อยอันี้เ ห, นเหน็นเห็นมือนิ้วอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไนิ้วอักี่นิว้วสิบนิ้วอันนี้ในวิธีจิตมีหลายๆจิตตขณะอันนี้จิตตขณะอันแรก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 การอารมณ์กรรมฐานไม่มีสีสันอะไรไม่มีอะไรที่สามารถดึงดูจิตของเราได้เพราะฉะนั้นความสนใจที่เกิดขึ้นกับกามารูปเป็นอย่างอัตโนมัติแต่ความสนใจในอารมณ์กรรมฐานไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำด้วยความความสนใจจะง่วง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 สมมุติว่าสามารถกำหนดรู้ลงได้ถึงสิบนาทีติดต่ตอต่อเนื่องไม่มีเวทนาในสิบนาทีถ้าสามารถกำหนดรู้ได้ถึงสิบห้านาทีติดต่ตอต่อเนื่องมีแต่ความสุขไม่มีเวทนาถ้าสามารถกำหนดรู้ลงได้ถึงชั่วโมงอย่างติดต่ตอต่อเนื่องมีแต่ความสุขไม่มีเวทนาด้วยเบาสบายบางที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 วิทนาจะน้อยลงจะลดลงไปเองถ้าสามารถกาเนดรู้ลมได้อย่างติดต่อตอนนั้นนานๆติดต่อตอนนั้นมากขึ้นวิทนาจะหายไปได้แต่ถ้าเราไปรับรู้วิทนาบางครั้งบางคราวในเวลาที่เราพยายามอยู่กับลมอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามีเวทนาอยู่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 ถ้าสามารถกําหนดได้ดีมีความสุขสงบตอนนั้นไปเย็นดีความสุขสงบเพราะฉะนั้นครึ่งหลบับครึ่งดืง่มบางทีก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าไปเย็นดีความสุขบางทีไม่ไม่ใช่ครึ่งลงผ้าวังได้เหมือนกันลงผ้าวังไหมเข้าใจไหม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 จริงๆถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลับประเทศ่จินไม่ต้องไปหาคุณหมอคุณหมอไม่มีคนหมอใดๆที่สามารถแก้ปัญหานี้ถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้อตาตมาจะ่นะนำจะทํำยังไงอตาตมาบอกเกษกำหนูรู้เล่ให้เปลี่ยนติดต่อต่อนนั้นมากขึ้น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 เพราะฉะนั้นไม่เวทนาไม่เกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คำถามไม่โดยตรงแต่ว่าอัตมาเนะนมบุคคลที่มีข่าวเจ็บปวดอย่าไปกัรวนพยายามกกำหนดรู้ลงถ้าสามารถกำหนดรู้ได้อย่างติดต่อตอนนั้นนาน ๆ, ๆ, ๆ, ๆอันนี้จะไม่เกิดแก้ปัญหานี้ได้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 แม้แต่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าที่สูงบุงในทุกอย่างสูงบุงสงู ง, สงบุงเตมีคนมาตำหนิใช่ไหมมีคนมา accuse ม, มาตำหนติติเตียนท่า น, นะอะ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 อันนี้เกี่ยวข้องกับกามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตที่ปัญญายาไม่เกล้าในชีวิตนั้นได้ทำสิ่งที่ไม่ควรอันนี้ติดตามมาเมื่ในเวลาที่ดัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางให้ผลเหมือนกัน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 ลมกระโทยที่ใดที่หนึ่งปลายจ ม, มูกหรือบนฝีปากอันนี้ก็เป็นลมหายใจของเราเพราะว่าอันนี้ออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้กระโทยที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องไปการบน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 อันนี้ลักษณะพลัดเข้าใจหเข้าใจไหมลักษณะพลัดอันนี้ทาตลมผู้ใ ด, ดที่บดีบัตดผู้ใ ด, ดที่ไปใส่ใจพองยุบอันนี้คือการพิจารณาลักษณะพลัดที่เป็นโลงที่เป็น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 อย่าไปใส่ใจอันนี้อย่าไปใส่ใจอันนูน้นที่สําคัญต้องทําให้จิตสงบปล่อยทั้งหมดอย่าคิดอันนี้อย่าคิดอันนั้นอย่าทำอะไรเลยทําให้จิตสงบถ้าจิตสงบ ด, ดีด้วยจิตนี้ถ้าโรแถวแถวนี้ลมจะกลับมาแต่ถ้าไปใส่ใจอันนี้ไปใส่ใจอันนูน้นลมจะไม่กลับมา